นะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะกอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้โดยโปร่งเองโปร่งนั้น ฟังธรรมคำพุท ธ, ธะมหาอสสปุระสูตรมัชมานิกายมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่อสสปุรานิคมของหมู่อังคาราจุกุมารในอังคาชนบทขณะที่นั้นได้ตรัสเรียบพิจูด ท, ทั้งหลายมาแล้วได้มีพุทธธรรตรัสอย่างนี้ว่า พิกษุทั้งหลายมหาชนเขารู้จักพวกเธอทั้งหลายว่าเป็นสมปนณะเป็นสมปนณะอย่งนี้ถึงเธอทั้งหลายเล่าเมื่อถูกเขาถามว่าพวกเธอทั้งหลายเป็นอะไรพวกเธอทั้งหลายก็ปฏิญญาตัวเองว่าเราเป็นสมปนณะอย่งนี้เมื่อเธอทั้งหลายมีชื่อว่าเป็นสมณนะและปฏิญญาตัวเองว่าเป็นสมปนณะ อยู่อย่างนี้แล้วพวกเธอพึงสำเนียกใจอย่างนี้ว่าธรรมะเหล่าใดที่ทำให้เราเป็นสมณะที่ทำให้เราเป็นปรามคือผู้ลอยบาปเราจะประพฤติรือเอาด้วยดีซึ่งทำเหล่านั้นด้วยการปฏิบัติของเราอย่างนี้สมัญญาว่าสมณะของพวกเราก็จะเป็นจริงและคำปติญญาว่าสมณะ ของพวกเราก็จะสมจริง 1. หนึ่งการใช้สอยบริโภคจีบอลบินธาบาตเสนาสนะและกี่เละนะปัจจัยเพศสัตวบริขารของทายกเหล่าใดการบำเพ็ญทานของทายกเหล่านั้นจะมีผลใหญ่มีอันนี้สงใหญ่และการบรระชกของเราเองก็จะไม่เป็นหมันแต่จะมีผล มีกำไรแก่เราโดยแท้ดังนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียงใจอย่างนี้ก็ธรรมะเราไหนาเล่าที่จะทำพวกเราให้เป็นผู้สงบคือเป็นสมณะที่จะทำให้พวกเราเป็นผู้ลอยบาปคือปรามคือเธอพึงสำเนียงใจให้ได้ว่าเราจะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยหิริและโอตปะ คือความกลัวและความลายต่อบาปพวกเธอบึงสำเนียใจอย่างนี้แต่ว่าเรื่องนี้อาจคงเกิดมีแก่พวกเธอคือจะปากัะดึงความนอนใจเสียเพียงเท่านั้นว่าพวกเราถึงพร้อมแล้วด้วยหิรกและอุตปะพอแล้วด้วยกุนเพียงเท่านี้พวกเราได้ตามถึงผลแห่งสมณปัิบาตแล้วกิดอื่นที่ต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกไม่ได้มีดังนี้ อีกส่นทหลายเราจะบอกแก่พวกเธอเราจะเตือนพวกเธอให้รู้เมื่อพวกเธอต้องการความเป็นสมณะก็อย่าทำผลของความเป็นสมณะให้เสื่อมไปเพราะว่ากิจที่พวกเธอต้องทาให้ยิ่งขึ้นไปอีกนั้นยังมีอยู่ก็กิจที่พวกเธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นลำดับนั้นคืออะไรเล่านั่นคือการสำเนียรตนเองให้ได้ว่า การประพฤติชอบสม่ำเสมอด้วยกายการประพฤติชอบสม่ำเสมอด้วยวาจาและการประพฤติชอบสม่ำเสมอด้วยใจของเราบริสุทธิ์แล้วงายได้แล้วเปิดเผยได้แล้วหาช่องตะลุไม่ได้เป็นอันสมรมดีแล้วอนหนึ่งเราจะไม่ยกตนโรมท่านด้วยคุนข้อนี้เป็นอันขาด พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียใจอย่างนี้แต่ว่าเรื่องนี้อาจคงเกิดมีแก่พวกเธอคือจะพากันถึงความนอนใจเสียเพียงเท่านั้นว่าพวกเราถึงพร้อมแล้วด้วยฮิริและอุตปาการประพัติชอบสม่ำเสมอด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจบริสุทธิ์แล้วพอแล้วด้วยกลิ่นเพียงเท่านี้พวกเราได้ตามถึงผลแห่งสมณะปฏิบัติแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปอีกมีได้มีอย่างนี้พิกษตตะนายเราจะบอกแก่พวกเธอเราจะเตือนพวกเธอให้รู้เมื่อพวกเธอต้องการความเป็นผู้สงบคือสมณะก็อย่าทําผลของความเป็นสมเนธให้เสื่อมไปเพราะว่ากิจที่พวกเธอจะต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปนั้นยังมีอยู่ ก็กิดที่พวกเจอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นลำดับนั้นคืออะไรเล่านั่นคือการจำเนกตัวเด่นให้ได้ว่าอาชีวะของเราบริสุทธิ์แล้วงายได้แล้วเปิดเผยได้แล้วหาช่องตรูไม่ได้เป็นอันสมรุมดีแล้วอหนึ่งเราจะไม่ยกตนข่มท่านด้วยคุณข้อนี้เป็นอันกาด พวกเธอต่้งหลายบึงสำเนีใจอย่างนี้แต่ว่าเรื่องนี้อาจโกงเกิดมีแก่พวกเธอคือช่ บ, บ้าเป็นถึงความนอนใจเสียเพียงเท่านั้นว่าพวกเราถึงพร้อมแล้วด้วยหิริและอตปะกายวาจาใจและอชีวะบริสุทธิ์พอแล้วด้วยคุณเพียงเท่านี้พวกเราได้ถามถึงผลแห่งการปฏิบัติแล้วกิจอื่นที่จะต้องทาให้ยิ่งขึ้นไปอีกมิได้มี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 เราจะเป็นผู้คุ้มครองตบ า, านในอินทรีย์ทั้งหลายคือเมื่อได้เห็นรูปด้วยตาแล้วก็จะไม่ถือเอาทั้งโดยลักษณะที่เป็นการร่วมถือทั้งหมดและการถือเอาโดยการแยกเป็นส่วนส่วนสิ่งนั้นเป็นอกุศลธรรมอันลามมกคืออภิชาและโตมนัดจะพึงไหลไปตามพูดที่ไม่สารวมอินทรีย์คือตาอันไดเป็นเหตุเราจะปฏิบัติ เพื่อปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้จะเป็นผู้รักษาถึงความสมรวมอินทรีย์คือตาเมื่ได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูกได้ลิ้มรสด้วยลิ้นได้สัมผัสปวดประพาดด้วยกายหรือได้รู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจก็จะไม่ถือเอาทั้งโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมดและการถือเอาโดยการแยกเป็นส่วน สิ่งนั้นเป็นอกุศลธรรมอันหลามกคืออภิชาตและโทมนัตจะพึ่งไหลไปตามพูดที่ไม่สำรวมอินทรีย์อันใดเป็นเหตุเราจะปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์เหล่านั้นไว้จะเป็นผู้รักษาถึงความสำรวมอินทรีย์ทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้แต่ว่าเรื่องนี้อาจโกงเกิดมีแค่พวกเธอ คือจภพาไปถึงความนอนใจเสียเพียงเท่านั้นว่าพวกเราถึงพร้อมแล้วด้วยฮิริและอตุตตะปะกายวาจาใจและอาชีวะบริสุทธิ์เป็นผู้คุ้มครองตะวันในอินทรีย์ทั้งหลายพอแล้วด้วยกุ่นเพียงเท่านี้พวกเราได้ตามถึงผลแห่งสมณะิฏิบัติแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกไม่ได้มีพิสุทธิ์ลายเราจะบอกแก่พวกเธอ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 เวทนาเก่าคือความหิวเสียได้แล้วไม่ทำเวทนาใหม่คืออิ่มจนเดืดดัตให้เกิดขึ้นความที่อายุดาเนินไปได้ความไม่มีโทษเพราะอาหารและความอยู่พาสุขสำราญจยมีแก่เราดังนี้พวกเธอตั้งหลายพึงสำเนีกใจอย่างนี้แต่ว่าเรื่องนี้อาจคงเกิดมีแก่พวกเธอคือจะพาะกรถึงความนอนใจ เสียเยงเท่านั้นว่าพวกเราถึงพร้อมแล้วด้วยฮิริและอุตปะกายวาจาใจและอาชีวะบริสุทธิ์เป็นผู้คุ้มครองตวานในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นผู้รูป้ประมาณในโภชนะอยู่เสมอพอแล้วด้วยคุณเปลี่ยนเท่านี้พวกเราได้ตามถึงผลแห่งสมณปฏิบัติแล้วเกณอื่นที่ต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปอีกไม่ได้มีอย่างนี้พิจารนายเราจะบอกแก่พวกเธอ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 อันเป็นเครื่องตื่นคือชานก็่างนั้นต่ำคือเราจะชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากกิเลสเครื่องกั้นจิตด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งตลอดวันยังค่ำไปจนสิ้นยามแรกแห่งราตรีครันยามกลางราตรีเราจะนอนอย่างราชสีคือตะแคงข้างขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะ ในอันที่จะลุกขึ้นรั้นยามสุดท้ายราตรีเราลุกขึ้นแล้วก็จะจำระ จ, จิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากกิเลสเครื่องกั้นจิตด้วยการเดินจงกรมและด้วยการนั่งอีกพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียงใจอย่างนี้แต่ว่าเรื่องนี้อาจคงเกิดมีแก่พวกเธอคือจะพาไปถึงความนอนใจเสียเพียงต่านั้นว่า พวกเราถึงพร้อมแล้วด้วยหิริและอุตปะกายบาจาใจและอาชีวะบริสุทธิ์เป็นผู้คุ้มครองธ บ, บันอินทรีทั้งหลายเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนาอยู่เสมอเป็นผู้ประกอบอยู่ในธรรมอันเป็นเครื่องตื่นพอแล้วด้วยกุ่นเพลงเท่านี้พวกเราได้ตามถึงผลแห่งสมณะปฏิบัติแล้วกิอื่นที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกมิได้มี พิสุทน า, ายเราจบอกแก่พวกเธอเราจะเตือนพวกเธอให้รู้เมื่อพวกเธอต้องการความเป็นสมณะก็อย่าทําผลของความเป็นสมณะให้เสื่อมไปเพราะว่ากิจที่พวกเธอต้องทําไม่ยิ่งขึ้นไปอีกนั้นยังมีอยู่พิสุทธิ์ทนายก็กิจที่พวกเธอต้องทําไม่ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นลําดับนั้นคืออะไรเล่านั่นคือการจำเนียงตนเองให้ได้ว่า เราจะเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะคือเป็นผู้รู้ตัวรอบคอบในการก้าวไปข้างหน้าการ่อยหลังรู้ตัวรอบคอบในการแลดูการเหลียวดูรู้ตัวรอบคอบในการคู่การเหยียดรู้ตัวรอบคอบในการทรงสังคติบาจิวรรู้ตัวรอบคอบในการยินการดื่ม การเกี่ยวกัรลิ้มรู้ตัวรอบคอบในการต่อุจจระปัสวะรู้ตัวรอบคอบในการไปการหยุดรู้ตัวรอบคอบในการนั่งการนอนรู้ตัวรอบคอบในการหลับการตื่นรู้ตัวรอบคอบในการพูดและการนิ่งพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้แต่ว่าเรื่องนี้ อาจโกงเกิดมีแก่พวกเธอคือจะพากันถึงความนอนใจสี่เพียงเท่านั้นว่าพวกเราถึงพร้อมแล้วด้วยหิริและอุตปะกายวาจาใจและอาชีวะบริสุทธิ์เป็นผู้คุ้มครองธรรวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะอยู่เสมอเป็นผู้ประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะพอแล้วด้วยคุณเพียงเท่านี้ พวกเราได้ตามถึงผลแห่งการปฏิบัติแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกไม่ได้มีพิสุทธหลายเราจะบอกแกพวกเธอเราจะเตือนพวกเธอให้รู้เมื่อพวกเธอต้องการความเป็นสมณนะก็อย่าทำผลของความเป็นสมณะให้เสื่อมไปเพราะว่ากิจที่พวกเธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปนั้นยังมีอยู่ ก็กิจที่พวกเธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นลำดับนั้นคืออะไรเล่าคือเธอในกรณีนี้มาเสบเซนาสนาอันสงัดคือป่าโกนไม้ภูเขาซอกห้วยตองถ้าป่าชา้าป่าชัดที่แจ้งหลอมฟางย่างได้อย่างหนึ่งในเวลาเป็นภายหลังอาหาร เมื่อกลับจากการสแสวงหาอาหารแล้วก็นั่งคู่บาลังตั้งกายตรงดารงสติอยู่เฉพาะหน้าเธอละอภิชาคือความเพ่งเล็งในโลกมีจิตปราศจากอภิชากคอยชำระจิตจางอภิชาคือความเพ่งเล็งละปยาบาดมีจิตปราศจากพยาบาทเป็นผู้กรุณา มีจิตหวังความเกื้อกูลในสัตว์ทั้งหลายคอยชำระจิตจากปยาบาตละความง่วงซึมคือตีนามิทามุ่งอยู่แต่ความสบ่างในใจมีจิตปราศจากตีนามิทามีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวคอยชำระจิตจากความง่วงซึมคือตีนามิทาอยู่ ละความฟุ้งซ่านนำการใจคืออุดทัตจักกุกกุตจักไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ในภายในคอยํารญจิตจากความฟุ้งซ่านนำการใจอยู่พึง เ, เป็นผู้ละความเคลือบแคลงเห็นแยง้งคือวิจิกิจจาข้ามล่วงความเห็นแย้งเสียได้ไม่ต้องกล่าวว่านี่อะไรนี่อย่างไรในกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะความเคลือบแลคลงค่อยชำระจิตจากความเคลือบแค่งเห็นแย้งอยู่พี่สุธนไเปรียบเหมือนจ่ายผู้หนึ่งกู้หนี้เขาไปทําการงานสําเร็จผลใช้หนี้ต้นตุนเดิมหมดแล้วกําไรยังเหลือพอเลี้ยงปริยาได้ถมไปเขาคงกระนึงถึงโชคลาภว่าเมื่อก่อนเรากู้หนี้เขาไปทําการงานสําเร็จผล ใช้นี้ต้นทุนเดิมหมดแล้วกําไรยังเหลือพอเลี้ยงภรรยาได้ถมไปดังนี้เขาย่อมปราโมทบันเติงใจโสมนัสนเพราะข้อนั้นเป็นเหตุหรือเปรียบเหมือนใจอีกผู้หนึ่งป่วยไข้ทนทุกข์อาหารไม่ย่อยกําลังน้อยลงครั้นเวลาอื่นเขาหายจากไข้นั้นอาหารก็ย่อยได้ กำลังก็มีมาเขาต้องนึกถึงการกล่าวว่าเมื่อก่อนเราป่วยไข้นะักทนทุกข์อาหารก็ไม่ย่อยกำลังน้อยลงปัจ น, นี้เราหายจากไข้นั้นอาหารก็ย่อยขึ้นได้กำลังก็มีมาดัางนี้เขาย่อมปราโมทบันเทิงใจโสมนัสเพราะข้อ น, นั้นเป็นเหตุหรือเปรียบเหมือนใจอีกผู้หนึ่งติดเบรนจำ คั้นเวลาอื่นเขาหลุดจากเรือนจำได้โดยสะดวกไม่มีภยัยไม่เสียทรัพย์เขาต้องนึกถึงการกล่าวอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราติดเรือนจำแบบนี้เราหลุดมาได้โดยสะดวกไม่มีภยัยไม่เสียทรัพย์ดังนี้เขาย่อมปราโมทบันเติใจโสมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเนตหรือเปรียบเหมือนายอีกผู้หนึ่งเป็นทาตเขา พึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นเที่ยวตามอำเภอใจไม่ได้รันถึงสมัยอื่นเขาพ้นจากการเป็นทาตพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเที่ยวตามอาเภอใจได้เขาต้องนึกถึงการเก่าอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นทาตพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นเที่ยวตามอำเภอใจไม่ได้ครันถึงสมัยอื่น เราพ้นจากการเป็นทาตพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นที่ยวตามอาเภอใจได้ดังนี้เขาย่อมปราโมทบันเทิงใจโสมนัน้นเพราะข้อนี้เป็นเหตุหรือเบลเหมือนชายอีกผู้หนึ่งนําทรัพเดินทางไกลอันกันดารครั้นพ้นทางกันดารได้โดยสะดวกไม่มีภยัยไม่ต้องเสียโปกรัับเขาต้องนึกถึงการเก่า อย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเรานำทรัพย์เดินข้ามทางกันดาลครั้นพ้นทางกันดารแล้วไม่มีภยัยไม่ต้องเสียโผกรทรัพย์หนังนี้เขาย่อมปราโม์บันเทิงใจโสมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุพิสุทธิ์หลายเธอพิจารณาเห็นนิวรณห้าประการที่ตนยังระไม่ได้ว่าเป็นเช่นกับการกู้หนี้เช่นกับการเป็นโรค เช่นกับการติดเรือนจำเช่นกับการเป็นทาตและการนำทรัพย์เดินข้ามทางอันกันดานแล้วเธอพิจารณาเห็นนิวรณ์ตั้ง5ประการที่ละเสียได้ในตนเองแล้วเป็นเช่นกับการหมดหนี้การหมดโรคการหลุดจากเรือนจำการพ้นจากทาตการบรรลุ ถ, ถึงที่ผลไปเธอย่อมปราโมทย์บันเทิงใจโสมนัสเราพ่อเน้นเป็นเหตุ ฉะนั้นเหมือนกันเต่นั้นครั้นละนิวรห่าประการอันเป็นเรื่องเศร้าหมองใจและํำปัญญาให้ถอยกำลังเหล่านี้ได้แล้วเพราะสงัดจากกามและสงัดจากอคุิและร่ทั้งหลายจึงบรรลุฌานที่หนึ่งซึ่งมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวรแล้วตั้งอยู่ในธรรมนด ประพรมกายนี้ทําให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกนั้นส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกนั้นไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีเปรียบเหมือนนายช่างอาบก็ดีหรือลูกมือของเขาก็ดีเป็นคนฉลาด โรยผงที่ใช้สำหรับถูตัวในเวลาอาบน้ำลงในขันสำริแล้วพรมน้ำหมักไว้ขันเวลาเย็นก้อนผงออกยางเข้ากันซึ่มทั่วกันแล้วจับกันทั้งภายในภายนอกไม่ไหลยหยดฉันไหนก็ฉันนั้นอีกประการหนึ่งเพราะสงบวิตกวิชาชียได้เธอจึงบรรลุฉานที่สองอันเป็นเครื่องปองใส แห่งใจในภายในนำให้เกิดสมาธิมีอารมณ์เดียวไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในตําแนได้เธอปราพรมกายนี้ทําให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิส่วนได้ส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัว ที่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิไม่ถูกต้องแล้วไม่ได้มีเปรียบเหมือนห่วงน้ำามันลึกมีน้ำอันป่วนไม่มีปากน้าทางทิศ ต, ตนออกที่ใต้ทิตะวันตกหรือทิศเหนือแต่ฝนตกเพิ่มน้ำให้แก่ห่วงน้ำนั้นตลอดการโดยการท่อน้ำเย็นพุ่งขึ้นจากห่วงน้า ประพรมทำให้ชุ่มถูกต้องห่วงน้ำนั่นเองส่วนไหนๆของห่วงน้ำนั้นที่น้ำเย็นไม่ถูกต้องแล้วไม่ได้มีฉันใดก็ชั้นนั้นอีประการหนึ่งเถิดนั้นเพราะความจางกลายไปแห่งปีติเป็นผู้อยู่เบิกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนากายจึงบรรลุฌานที่สาม อันเป็นชานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ปรลุชานนี้เป็นผู้อยู่เบิกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขแล้วตั้งอยู่ในธรรมนิยเธอปราบลมกายนี้ทำให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยกำลังสุขหาปีติไม่ได้ส่วนได้ส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่สุขหาปีติไม่ได้ ไม่ถูกต้องแล้วไม่ได้มีเปรียบเหมือนในน้องบัวอุบลน้องบัวปฐุมน้องบัวบุญดลิศนอกบัวบางเหล่าเกิดอยู่ในน้ำเจริญอยู่ในน้ายังขึ้นไม่ผลน้ำจมอยู่ภายใต้ันน้ำเหลี้ยงไว้ดอกบัวเหล่านั้นถูกน้าเย็นแช่ชุม่มถูกต้องตั้งแต่ยอดตลอดราก ส่วนไหนๆของดอกบัวนั้นทั่วทั้งดอกที่น้ำเย็นไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีฉันใดกะฉันนั้นอีประการหนึ่งเธอนั้นเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโซมนัสและโธมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติ เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วตั้งอยู่ในธรรมได้เธอเน้นนั่งแผ่ไปตลอดกายนี้ด้วยใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีเปรียบเหมือนชายคนหนึ่งนั่งกลุ่มตัว ด้วยผ้าขาวตลอดสีสันส่วนไหนไหนในกายเธอทั่วทั้งตัวที่ผ้าขาวไม่ถูกต้องแล้วคือไม่กลมแล้วไม่ได้มีฉ ะ, ฉะนั้นฉะนั้นเธอผู้นี้ครั้นมีจิตตั้งมั่นบริสุทธ์ปรองใสไม่มีกิเลสพราชาอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่ได้อย่างไม่หวั่นไหว เช่นนี้แล้วเธอก็น้อมจิตไปเฉพาะต่อบุพเพนิวาสานุสติญาณคือเดอระลึกถึงขันที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนได้หลายประการคือเดอระลึกได้หนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างสามชาติสี่ชาติจนถึงร้อยชาติพันชาติแสนชาติหลายสังวัตรกับและบิบัติกับบ้างเธอระลึกถึงขัน ที่เคยอยู่อาศัยในพบก่อนได้หลายประการร่ำตั้งอาการและลักษณะอย่างนี้เปรียบเหมือนชายผู้หนึ่งออกจากบ้านของตนเองไปบ้านคนอื่นแล้วออกจากบ้านนั้นไปสู่บ้านอื่นอีกแล้วออกจากบ้านนั้นนั้นกลับมาสู่บ้านของตนเขาก็จะระลึกได้อย่างนี้ว่าเราออกจากบ้านตัวเองไปสู่บ้านโน้น ที่บ้านโน้นนั้นเราได้ยินได้นั่งเราได้ยืนได้นั่งได้พูดได้นิ่งอย่างนั้นอย่างนั้นครั้นออกจากบ้านนั้นแล้วได้ไปสู่บ้านโน้นอีกแม้บ้านโน้นเราก็ได้ยืนได้นั่งได้พูดได้นิ่งอย่างนั้นอย่างนั้นและเราออกจากบ้านนั้นแล้วกลับมาสู่บ้านของตนเองฉันในก็ฉันนั้นแต่ตอนนั้นครั้นมีจิตตั้งมั่น บริสุทธิ์ปร่งใสไม่มีกิเลสราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่ได้อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วก็น้อมจิตไปเฉพาะต่อจุตูปะ ป, ะปะตาตยานคือเปรียบเหมือนเรือนสองหลังมีประตูตรงกันในที่นั้นชายผู้มีจกักษุที่ดี ยืนอยู่ระหว่างกลางเรือนสองหลังนั้นเขาจะเห็นหมู่มนุษย์ที่เข้าไปในเรือนบ้างออกมาจากเรือนบ้างเดินไปมาบ้างเดินตรงบ้างเลี้ยวบ้างข้อนี้ฉันใดเธอผู้นี้ก็น้อมจิตไปเฉพาะต่อจุตูปปาตยานคือเธอนั้นมีจกักษุอันเป็นทิพย์บริสุทธิ์หมดจดล่วงจากสุขของสามัญมนุษย์ย่อมเห็นเหล่าสัตว ผู้จุติอยู่บังเกิดอยู่เลวสามประณีตมีวันน่าดีมีวันนา่นนาเลวมีสุขมีทุกข์ฉะนั้นเหมือนกันแต่นั้นครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธ์ป่องใสไม่มีกิเลสปราจชชาอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนกวนแก่ ก, การงานตั้งอยู่ได้อย่างไม่หวนไหวเช่นนี้แล้วก็น้อมจิตไปเฉพาะ ตออาสวัคคายานคือเปรียบเหมือนห่วงน้ำใสที่ไหลเขาไม่ขุ่นมัวคนมีตาดีไม่บอดยื่นอยู่บนฝั่งในที่นั้นเขาจะเห็นหอยต่างๆบ้างกรวดและหินบ้างฝูงปลาบ้างอ่นหยุดอยู่แล้วว่ายไปนในห่วงน้ำนั้นเขาจะสำเนียกใจอย่างนี้ว่าห่วงน้ำนี้ใสไม่ขุ่นเลย หอยก้อนกรวดปลาทั้งหลายเหล่านี้หยุดอยู่บ้างว่ายไปบ้างในห่วงน้ํานั้นข้อนี้ฉันใดเท่นั้นก็น้อมจิตไปเฉพาะต่ออาสบัขยญาณคือเตอย่อมรู้ชาติตามที่เป็นจริงว่าทุกเป็นเช่นนี้เช่นนี้เหตุให้เกิดทุกเป็นเช่นนี้เช่นนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นเช่นนี้เช่นนี้ข้อปฏิบัติ ก็เรื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นเช่นนี้เช่นนี้แล้วว่าเหล่านี้เป็นอาสวะทั้งหลายนี้เป็นเหตุแห่งอาสวัทั้งหลายนี้เป็นความดับไม่เหลือแห่งอาสวะทั้งหลายนี้เป็นทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะทั้งหลายเบื mm ่อเตอร์ hmm. er รู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิงก็หลุดพ้นจากอาสวัตคือกามอาสวะคือภพ และอสวะเกื้อพิชาครันจิตหลุดพ้นแล้วก็เกิดญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วโรมมาจันได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทําสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทําเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกเธอผู้ที่เสร็จกิจแล้วเช่นหนังที่กล่าวนี้เราเรียกว่าเป็นผู้สงบ คือสัมปนาบ้างเรียกว่าเป็นผู้ลอยบาปคือปราบบ้างเรียกว่าเป็นนหารขตตาบ้างเรียกว่าเป็นเวทคูบ้างเรียกว่าเป็นโสติยะบ้างเรียกว่าเป็นนริยาบ้างเรียกว่าเป็นอราหันต์บ้างพระผู้มีพระภาคตรัสพระพุทธพจนี้แล้วมิกษุเหล่านั้นก็ชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล มหาอสสปุระสูตรจบฟังธรรมคำพุทธะ